ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฐมายาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับอภิชาโตพิขุก็เป็นครั้งที่14แล้วนะที่เราได้มาพบกันสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังมาอย่างต่อเนื่องก็คงจะได้พื้นฐานความรู้ไปบ้างพอสมควร อย่างน้นอก็คงจะได้มีความเห็นที่มันถูกต้องแหละว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้ประกอบไปด้วยร่างกายอย่างเดียวคนเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ส่วนที่มันสําคัญเป็นความสุขความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความสุขความทุกข์ทางกายแต่ความสุขความทุกข์ของเราเนี่ยมันเป็นการผสมผสาน ร, ระหว่างความสุขทางกายความสุขทางใจ ความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจซึ่งถ้าประมวลแล้วเนี่ยความสุขทางใจเนี่ยมันมีมากกว่าความทุกข์ทางใจเราก็จะสรุปมันน่ว่าเออช่วงนี้เราก็มีความสุขดีนะแต่ถ้าเรามีความทุกข์ทางใจที่มันมากมีความไม่สบายใจถึงแม้จะสบายกายนะแต่มันไม่สบายใจมีความกังวล มีเรื่องที่มันมากระทบใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้เราสรุปได้ว่าช่วงนี้เราก็มีความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะฉะนั้นการที่เราบริหารความสุขความทุกข์ในแบบเดิมๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ได้ผลแบบหนึ่งในการที่เรามีความรู้ความเห็นที่มันถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าความสุขกายส่วนหนึ่งความสุขใจส่วนหนึ่งความทุกข์กายส่วนหนึ่งความทุกข์ใจส่วนหนึ่งใช่ ความสุขทางภายนอกทางร่างกายเนี่ยความทุกภายนอกทางด้านร่างกายเนี่ยเราก็บริหารในแบบภายนอกไปส่วนความสุขความทุกทางใจเนี่ยเราก็บริหารในแบบทางใจพอเราแยกออกมาได้2 ส, ส่วนแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็บริหารจัดการมันได้ไ ด, ได้ดีขึ้นได้ถนัดขึ้นได้ตรงจุดมากขึ้นน่แหละท่านผู้ฟังพอพูดมาถึงตอนนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกเอ๊ ไอ้เสียงคนพูดเนี่ยทำไมแปลกๆไปหรือเปล่าก็เป็นแบบนี้แหละอะไรๆมันก็ไม่เที่ยงนะช่วงนี้อากาศมันก็เปลี่ยนแปล ง, ปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสลับกันไปเนี่ยโม้ซั่วไปเลยเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังป่วยไข้ได้ซึ่งมันก็พ้องไปกับความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้นั่นแหละว่าคนเราเนี่ยมีความเกิดเป็นธรรมดา มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาพะมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่ถ้าเกิดเราไม่มองมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงเนี่ยพอมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงเราก็จะกระทบกระเทือนจิตใจและอย่างถ้าเราป่วยอย่างเนี้ยเราป่วย ก็คือร่างกายป่วยใช่ไหมล่ะเพราะร่างกายป่วยมันก็ไม่จําเป็นนี่ที่จะต้องให้เราเนี่ยเศร้าหมองหรือว่าวิตกกังวลหงุดหงิดไปกับมันไปด้วยทําไมร่างกายป่วยแล้วใจเราจะเบิกบานผ่องใสอารมณ์ดีไม่ได้มันต้องได้สิเพราะว่าร่างกายกับใจเนี่ยมันเหมือนจะเป็นก้อนเดียวกันแต่จริงๆแนละ้วมันก็แยกส่วนกันมันก็ไม่เกี่ยวเนื่องกันเท่าไหร่ ร่างกายก็ส่วนร่างกายไปจิตใจก็ส่วนจิตใจไปทีนี้พอคนเราเนี่ยมันมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอาความรู้เอาคำสอนนั้นเนี่ยมาคอยเตือนจิตใจเราอยู่บ่อยๆพอเราไม่ค่อยเอามันมาเตือนใจเราบ่อยๆเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ย ไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันก็จะชักนำชักนำเราไปก็ว่าเอ้ยเ ร, เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยอย่างนี้แหละเราก็จะไม่ค่อยได้นึกถึงว่าเออความตายมันมีอยู่กับทุกคนนะไม่ว่ามันจะตายตอนเด็กตายตอนหนุ่มไม่จำเป็นต้องตายตอนแก่เนี่ยมันตายได้ตลอดบางคนหมดอายุไขาตายบางคนป่วยไข้ตายบางคนโดนทาร้ายตายอย่างนี้เป็นต้น เพราะให้ความตายมันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลามันเป็นของแน่นอนนะเพียงแต่ว่ามันไม่แน่นอนในระดับของเวลาเท่านั้นเองว่ามันมันจะมันจะเกิดขึ้นกับเรานตอนไหนแต่มันแน่นอนคือมันเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแต่ถ้าท่านผู้ฟังสงบใจดีๆแล้วก็คอยนั่งนึกทบทวนย้อนกลับไปแล้วก็ ทวนมันกลับมานะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกที่ท่านผู้ฟังคิดว่าเราจะต้องตายเนี่ยมันมีอยู่ในใจมากน้อยเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เอาทางตักกะทางสมองนะแต่ความรู้สึกในใจของเราเนี่ยที่ว่าเออความตายมันไม่แน่นอนนะเดี๋ยวมันก็มาถึงเราเนี่ยแหละมันมันอยู่กับในความรู้สึกของเราเนี่ยได้มากน้อยเท่าไหร่ และอีกสัดส่วนของการที่เรายังรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราก็ยังอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มีเราก็จะมาทำงานทำนู่นนี่นี่นั่นต่อไปทำในสิ่งที่เป็นปัญหาที่ยังตกค้างอยู่ทำในแก้ไขในสิ่งที่ยังจะต้องทำอยู่พรุ่งนี้เดี๋ยวเมืรือ น, นี้5ปีเดี๋ยวเราจะไปเป็นอะไร10ปีเดี๋ยวเราจะทาอะไรต่อแล้วเราจะวางแผนอนาคตยังไง ใจเรามันขลุกใจเรามันเกาะอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเรามีใจที่มันไปเกาะกับความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันมันลืมความเป็นจริงไปว่าชีวิตคนเรามันไม่เที่ยงหรอกอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรมันก็พลัดพรากจากเราไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้เรามีสติระลึกนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองเนืองแล้วการที่เรามีสติรลึกถึงความตายในแบบที่ท่านบอกอย่างเนี้ยมันมีดียังไงมันต้องดีแน่นอนถ้าท่านฟังเนี่ยย้อนกลับไปเอพิส od น่าจะประมาณเอพิส od ที่หมั้งที่ว่าด้วยงานหลักงานจอนนะ อ่กันก็จะบริฟให้ฟังสั้นๆงานหลักก็คือการที่เรามาคอยระลึกนึกถึงสอนใจตัวเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่เที่ยงนะล้วก็พิจารณากายบ่อยๆเห็นถึงความไม่เที่ยงของกายเห็นถึงความไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเที่ยงแท้เวลาเรามีสติระลึกนึกถึงเนี่ยนอกจากความตายแล้วเราก็ระลึกนึกถึงอันนี้แหละ ว่ามันไม่ใช่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราขาวเท่แท้นะมันก็มีความไม่สวยไม่งามนะเป็นของปกติมันก็ เ, เปื่อยย่อยเปื่อยสลายไปเป็นธาตุสี่อันนี้คืองานหลักแต่แน่นอนว่าชีวิตเราเราอยู่กับงานหลักอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มันก็มีสิ่งที่จะต้องมาคอยกระทบเราเนี่แหละไม่ว่าจากสิ่งที่เราเห็นจากสิ่งที่เราฟัง หรือว่าในชั่วโมงการงานปกติภายนอกที่เราจะต้องทํามาหากินเนี่ยมันก็จะต้องคอยที่จะส่งออกไปรับในสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังใคร่ครวญในสิ่งต่างๆเพื่อจะแก้ไขปัญหางานให้มันผ่านไปและภาษาที่มันมันมาเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีใช่ไหมล่ะบางครั้งเขาก็พูดถูกหูบางครั้งเขาก็ทํากิริยาในสิ่งที่เราอาจจะไม่ถูกใจก็ได้ ซึ่งไอเ น, นี้ยมันเป็นงานจรนภาษะที่มันเป็นงานจอนเข้ามาเนี่ยเราก็คอยจะต้องรับมือกับมันอยู่ตลอดแต่การที่เราจะรับมือกับงานจอรอย่างเงี้ยได้ดีเนี่ยการที่เรามีพื้นฐานของงานหลักก็คือการที่เราตนความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้เนี่ยไอความเข้าใจเหล่านี้มันจะทาให้เราปล่อยวางหรือ สลัดหรือทำให้ไอ้ัสสาะที่มันมากระทบใจเราเนี่ยมันไม่เกาะเกี่ยวหรือไม่มีผลกระทบกับใจเราได้ได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงสำหรับงานหลักอันนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันจะยากที่เราจะปล่อยวางยากที่เราจะ เ, าเห็นแล้วเราก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางเพราะว่าการที่เราจะ ปล่อยวางได้เนี่ยสิ่งสำคัญปัจจัยหลักสำคัญมันก็คือการที่เราเห็นโทษมันน่การที่เราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษไม่เห็นถึงสาระแก่นสารของมันเราก็จึงปล่อยวางมันไงแต่ถ้าเรายังไม่เห็นถึงความไม่มีแก่นสารของมันเนี่ยมันก็ผูกใจไว้กับความมีตัวมีตนของมัน ผูกใจไว้กับสิ่งที่มันเป็นค่าทางสมมุติน่ะว่าอันนี้ดีอั น, นไม่ดีจะต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ตามระบบสมมุติหรือค่านิยมกันไปพอเรามองไม่เห็นถึงความเป็นจริงที่มันจะมาคอยคอยแทงสมมุติออกมาเนี่ยมันเลยทําให้เราก็ต้องแก้กันไปตามระบบของสมมุติมันทําให้ใจเรายิ่งผูกมัน ปล่อยวางมันลำบากแล้วก็ถึงมันจะไม่ทุกข์แต่ผลที่ได้คือความยึดติดอันนี้คือแก้ในแบบสมมุตินะแต่ถ้าแก้ในแบบธรรมะแล้วเนี่ยถึงเราจะไม่ทุกข์กับมันเราก็ไม่ยึดติดกับมันด้วยเพราะว่ามันไม่มีสาระไม่มีเก่นสารอย่างทแท้แน่นอนอ่ะนี้เราก็วกวกลับมาแล้วว่าหลังจากที่เรา รู้จักงานหลักงานจรดีอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เรามาพิจารณาถึงความตายอยู่บ่อยๆเนืองๆ เ, เนี่ยมันก็ทําให้มีการพัฒนามีการปรับปรุงคุณภาพความรู้ความเห็นทางด้านจิตใจของเราเนี่แหละซึ่งการที่เราระลึกนึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่หลงติดอยู่ในสมมุติด้วยเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงความตายเนี่ยคุณสมบัติ มันก็มีหลายคุณสมบัตินะคุณสมบัติหนึ่งในนั้นมันก็คือว่าทําให้เรารู้สึกกลัวไงกลัวเพราะว่าพอเวลาความตายมาเยือนเนี่ยมันทําให้เร า, รร า, เรารเพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักใช่ไหมพอการที่เราพลาดลาดจากสิ่งที่เรารักเนี่ยเราก็จะรู้สึกถ้ามันยังไม่ถึงเนี่ยเราก็จะกลัวละพอกลัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากกลัวใช่ไหมพอเราไม่อยากกลัวแล้วเราจะทํำยังไงมันก็ต้องหาแหละว่ า, าทํายังไงเราจะไม่กลัว คำตอบของการที่เราจะไม่กลัวได้นัน ค, คือความเข้าใจนั่นเองท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่เราเข้าใจตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยอมรับความพัดพลากได้พอยอมรับความพัดพลากได้แล้วเนี่ยความที่เราจะกลัวมันก็ลดน้อยลงแล้วการที่เราเห็นถึงความตายบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรา เป็นคนที่ไม่เอางานเอาการในทางโลกหรือเปล่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะซึ่งคนที่เขาพิจารณาได้ดีเนี่ยเขาก็แค่ว่าความตายมันมาเยือนตอนไหนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เพราะนั้นสิ่งที่ที่เราจะควรจะต้องทำเนี่ยก็คือทำณตอนนี้ณนะเวลานี้ณนะวันนี้เนี่ยให้มันดีที่สุด ถึงแม้ว่ามันจะมีแผนงานนะถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยมันจะมีแผนงานว่าเออเดี๋ยวเราจะทำอะไรพรุ่งนี้เดือนหน้าเราจะทำอะไรปีหน้าเราจะพัฒนามันไปยังไงแล้วปีถัดๆไป5ปี1ิปีมันจะเป็นยังไงแน่นอนแหละคนเรามันต้องมีมีแนวทางมีแผนงานมีทางเดินแต่ถ้าเรามัวแต่มองไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเราละเลย ใปัจจุบันแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจทําให้มันดีอ่ะแล้วใจเราก็ไปอยู่กับความคาดหวังอยู่แต่อนาคต์ฉันจะต้องดีอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทําเหตุของอนาคตให้มันดีสักทีหนึ่งแต่การที่เรามองระลึกึถึงความตายด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ประมาทเราก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วเราวางแผนไว้เนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะมันอาจจะทําได้สุดทางอย่างที่เรา คาดหวังไว้ก็ได้แต่ณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดความตายมันมาเยือแล้วนี่มันล้มกระดาษเลยเพราะฉะนั้นเราทําอะไรได้ณนะตอนนี้ให้มันดีณนะตอนนี้เราก็เร่งมือทําทําให้มันดีทําให้มันอย่างอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ภายใต้เงื่อนไขที่เรามีณนะตอนตอนนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคนที่มีมรณานุสติคอยที่ระลึกนึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้ มีคุณสมบัติคือคนที่ไม่ประมาททำอะไรทำให้มันดีดีนะตอนนี้ไม่ใช่ทำให้มันหวังว่าเราจะทำดีนวันต่อๆไปใช่ไหมเราก็จะเป็นผู้ที่เราทำอะไรอย่างใส่ใจนะปัจจุบันได้ดีขึ้นอีกอีกทั้งการที่เราพิจารณาว่าความตายมันมาเยือนเราแน่นอนเนี่ยเราก็จะไม่มัวเมาในสมมติท่าฝั่งเพราะอะไร เพราะถ้าเราพิจารณาถึงความตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนั่นแหละว่าไอสิ่งที่เรากำลังทาอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงานเพื่อปัจจัยสีบ้านที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินอะไรต่างๆเยอะๆเลยเราทำพวกนี้ก็เพื่อที่จะมาสนองความสุขทางการเราเท่านั้นเองท่านผู้ฟังพอเราทำเพื่อที่จะปรารถนาให้เรามีความสุขทางการ ม, มากขึ้นเนี่ย เราก็จะเห็นได้ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราจะมีเงินมากมีเงินมากเท่าไหร่ก็ตามหรือเราจะมีเครื่องใช้ไม้สอยที่มันเทคโนโลยีดีละเอียดประณีตสุดๆหรือมีเครื่องนุ่งห่มที่มันแบบดีมากในยุคนี้ออย่างนี้เป็นต้นนะสุดท้ายเราเอาไปไม่ได้เลยสัะกะอย่างหนึ่งอันนี้แค่ภายนอกนะไม่นับสิ่งใกล้ตัวอย่างเช่น คนรักพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เรารักใคร่ยินดีพอใจมีความผูกพันลึกซึ้งพอเราตายไปแล้วเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลยเราก็จะเห็นถึงนั่นแหละว่าสุดท้ายเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่เราไขว่คว้ามันก็เปรอเหมือนกับพยับแดดพยับแดดเป็นยังไง มันก็เหมือนจะมีตัวมีตนใช่ไหมเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยไกลๆหน้าร้นอนบนถนนเนี่ยเราก็จะเห็นเงาเงาอากาศมันเคลื่อนไหวนะเป็นเงาเงาว่าตรงนั้นถนนมันเคลื่อนไหวได้นี่แต่พอเราเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีณนะจุดที่เราตั้งเอาไว้เห็นว่ามันมีแต่พอเราเข้าไปจริงๆไม่มีไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรพอเรามองไปไกลๆอีกก็เห็นอีกวิงก่งเข้าไปคว้าอีกก็ไม่อีก ไม่เจออีกไม่มีฉันได้ฉันนั้นมาฟังให้สิ่งที่เราคว้าว่าเราอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่สิ่งที่เราตั้งใจหมายว่าเราจะเป็นแบบนี้ทำแบบนั้นเพื่อให้ได้อันนั้นมาอันนี้มามันก็เหมือนพยับแดดนั่นแหละพอตายไปแล้วเนี่ยอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวถ้าเราคิดพิจารณาถึงความตายอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะถามตัวเองว่าเอ้ที่เราทามาเนี่ย ถ้ามันเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งแล้วอะไรที่มันจะติดตัวเราไปได้ท่านฟังสิ่งที่มันจะติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าการที่เรามีบุญสังสมบญเอาไว้มันก็ทำให้เราไปสุคตินะสุคติมีอะไรมีมนุษย์มีสวรรค์มีพรหมโลกแต่ถ้าเรามีบุญน้อยมีบาปมากเนี่ย มันก็ชักนําให้เราไปทุกติทุกติก็มีอะไรมีสัตว์จิตรฉานเปรตอสุรกายสันนรกทุกติชื่อมันก็บอกกันแล้วนะว่าเป็นที่ที่มีทุกนะทุกขก็คือทุกนั่นแหละมีทุกมากกว่าความสุขสุขติก็คือเป็นภูมิที่มีสุขมากกว่าความทุกแต่ไม่ใช่ไม่มีความทุกนะมันก็มีความทุกแต่มีสุขมากมีทุกน้อย ซึ่งการที่เราพิจารณาความตายบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแก่นสารสาระสําคัญมันก็คือบุญลบาปะเพราะฉะนั้นเราทํางานเรามีเงินมากเราเอาไปไม่ได้ถ้าเราเอาไปไม่ได้เราก็ใช้เงินเนี่ยที่เรามีเอาไปให้ทําสาธารณประโยชน์เอาไปให้ทานเอาไปสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆมันก็เป็นบุญให้เราไงจำไปฟัง ยิงการที่เราสะสมมันไว้มากๆแล้วไม่คิดที่ใช้ใจ่ายเนี่ยมันก็มีโทษของการสะสมก็คือความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นในใจเราแต่ถ้าการที่เรานำสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มาอย่างถูกต้อง้เราก็ใช้ใจ่ายแบ่งปันเนี่ยสิ่งที่มันได้ก็คือคุณสมบัติในใจที่เราจะลดทอนความตระหนี่ออกไปจากใจความตระหนี่เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของความมืดดา ความร้อนรนอยู่ในจิตใจไงการที่เราให้เป็นเนี่ยมันทำให้คุณสมบัติของใจของเราเนี่ยมันสะอาดผ่องใสเบิกบานเพราะฉะนั้นคุณภาพใจอย่างนี้แหละที่มันจะพาเราไปสุขติแล้วทีนี้การที่เราพิจารณาถึงความตายเราก็จะไม่ประมาท การที่เราไม่ได้พิจารณาถึงความตายบ่อยๆสําหรับคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ฝึกสติเนี่ยแน่นอนเลยมันก็จะทําให้เราเนี่ยโดนสมมติเนี่ยมันดึงไปดึงไปดึงไปดึงเข้าไปให้มันเพลิดเพลินอยู่ในกามาสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่กลับกันการที่เราพิจารณาถึงความตายมีสติคอยสังเกตใจอยู่เนื่งเนืองเนี่ยเราก็จะเห็นโทษของความสุขทางกามที่มันมากขึ้น เราก็จะไม่หลงยึดติดหลงเพลิดเพลินหลงยินดีในความสุขทางกามมันก็มีรายละเอียดมากเลยนะสำหรับคนที่เป็นบุคคลที่โดนกามเนี่ยมันผูกเอาไว้รัดเอาไว้ดึงเอาไว้มันเปรียบเสมือนกับากามเนี่ยมันก็จะมาผูกรั้งเราเอาไว้ให้เราอยู่ในโลกของสมมุติใบนี้ แต่มันไม่ได้เหมือนกับที่เราโดนติดคุกติดตารางอย่างนั้นนะความรู้สึกมันจะไม่ใช่แบบนั้นแหละแต่ความรู้สึกมันก็จะทําให้เรายินดีเพลิดเพลินเป็นนักโทษแบบนิ่เนียนที่มีความสุขอะ่ะซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราค่อยมาแจกแจงมันให้มันมากขึ้นกว่านี้ดีกว่าว่าการที่เราเป็นนักโทษของกามเนี่ยมันมีโทษยังไง มันไม่ดียังไงแล้วมันนินเนียนมาหลอกเรายังไงบ้างทำให้เรารู้สึกว่าเป็นนักโทษแต่เราไม่ได้เป็นนักโทษมันทำให้เราเป็นนักโทษแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นนักโทษมันเลยแล้วเราก็มีความสุขมีความยินดีสาหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมฝากกด follow กดแชร์ให้คนอื่นๆฟังด้วยเขาจะได้มีใจที่จะมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมะ มากขึ้นแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้แล้วก็อาจจะเอามาตอบในรายการก็ได้วันนี้ขอลาไปก่อนจเจริญพร